ปดิบัตไปเรื่อยๆช้าๆหายใจเข้าออกลึกๆ อ, อ <c oughs> ย่าทำไวเกินไป สบายๆเรามาแสวงหาความสบายแสดงทรจบแล้วสาธุพร้อมกัน ยมเข้าใจไหมอมืนี่คือส่วนยอดแห่งการแสดงธรรมดูใจเลยไหมเมื่อกี้เนี่ยอ่าเป็นยังไงระหว่างฟังแล้วมีคนพูดกับฟังแล้วไม่มีคนพูดต่างกันไหมอืมบางคนงงเฮ้ยหลวงพ่อทำอะไรนะแต่คนนี้เป็นข้อสงสัยถ้าคมีข้อสงสัยก็ถาม มีอะไรจะถามเพื่อที่พวคุณหลวงพ่อไหมสมาธิแปลว่าอะไร สมาธิไม่ได้แปล ว, ว่าความสงบสมาธิแปล ว, ว่าความตั้งมั่นของความรู้สึกแต่ความรู้สึกตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัขนขณะนั้นเป็นเป็นสมาธิถ้าจิตสงบโดยที่จิตไม่ตั้งมั่นก็ไม่ใช่สมาธิสมาธิมาจากคําว่าสมาหิโตนะ สมัยตัวตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นขณะทาไปฟังไปถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นก็เป็นสมาธิสงบสงบเป็นผลของจิตที่ตั้งมัน่นเข้าใจไหมสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตตั้งมัน่นปัจจุบันแล้วจิตเราจะเร้ว่าจิตสงบก็ได้ นันสติวัตั้งมัน่นสติตั้งมัน่นเป็นเป็นสมาธิเอาข้อต่อไปยกมือขึ้นก็ได้หรือไม่ยกก็ถามขึ้นเลด ไม่ต้องเพราะว่าการยกมือนี้คือเราเรียกว่าวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของจิตมีจิตเนี่ยเขาเขาต้องมีงานเมื่อจิตไม่มีงานหนึ่งเขาจะอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้ถ้าจิตเฉยๆโดยที่ไม่มีงานก็ไม่เป็นกรรมฐานกรรมฐานแปลว่างานของจิต ถ้าเราเอาลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของจิตเราก็เรียกว่าใช้อนาปาราเป็นที่อยู่แต่ว่ามันเสี่ยงต่อการนมีนิวรณ์เขาแทรกว่าจิตของเรายังไม่สติสัมยาของเรายังไม่หนักแน่นพอเราก็ใช้ตัวเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมคือทำเป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตก็มีงานจิตก็จะตื่น ต, ตัวเพราะในการเราไม่ต้องไปรู้ทุกขั้นตอนของการเคลื่อนการคลายรู้เป็นรวมรวมรู้สึกเท่นั้นเองเพื่อที่จะโฟกัสหรือรวบรวมให้จิตอยู่ปัจจุบันแบบเบาๆสบายๆผ่อนคลายคืออย่าดังใจทําแบบตั้งใจเกินไปทําแบบสบายๆนี่จะทําทแบบเพลินแบบเห็นเสียงตกร้องก็ไม่ได้มันเพลินตัวเพลินนั่นแหละคือตัวปัญหาต้นตอของปัญหา นั่นทาจะให้เพลินทําไงก็ได้ทําให้มันรู้สึกประบรสบายแต่ไม่ใช่ความเพลินถ้าเป็นความเพลินก็จะตกขอบไปสู่ความอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดความเพลินจะก็เป็นเหตุของทุกข์แต่ทําให้มันผ่อนคลายรู้สึกตัวพอจิตให้ให้มีงานทําแค่นั้นก็พอแต่ในกรณีที่เรามีอารมณ์ไวเร็วแรงเกินไปเนี่ยบางทีที่อยู่ น้อยมันอาจจะไม่พออยู่ดิน้นอาจจะทำให้มันชัดเจนขึ้นเพื่อสร้างสนามให้จิตได้ได้มีงานทําที่กว้างขวางเพื่อลดความการดิ้นของจิตให้นิลเข้าใจไหม ความี2แบบหนความคิดที่เป็นธรรมารมณ์มันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปความคิดอย่างนี้ไม่มีปัญหาไม่ต้องปฏิเสธมันให้รู้แต่ความคิดอันที่สองเป็นความคิดที่ที่เป็นคนจริงน่าจะแบ่งเป็นสาประเภทประเภทที่1นึ่งเรียกว่าธรรมารมคือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความคิดนี้เรียกเป็นธรรมารมณ ไม่มีปัญหาก็าพิเศประเภทที่สองคือผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปพอผ่านเข้ามาแล้วติดกึกแล้วก็เอ่มเริ่มปรุงต่อตัวนี้เรียกว่าสังขารและจิตตัวนี้มีปัญหาเพราะว่ามันไม่มันผ่านมาแล้วมันไม่ผ่านไปตัวนี้จะมันได้ทานอาหารแล้วมันมันไม่่ายมันก็จะปรุงเป็นอะไรต่ออะไรไป ประเภทที่2เรียกว่าสังขารและจิตประเภทที่3เรียกว่าจิตที่เป็นญาณทัศนะคือเจตนาที่จะคิดขึ้นมานะเจตนาที่จะคิดขึ้นมาสมมติว่าเราปวดขาเจตนาที่จะดูขาแล้วก็เฝ้าดูแล้วก็พิจารณาเฝ้าดูอาการของขาที่ปวดจะพลิกหรือไม่พลิกดีช่วงที่พิจารณาถึงความหนัก ความเบาของเวทนาตัว น, นั้นถ้าเราไม่พลิกทนได้ทนดูไปดูเวทนาถ้าเราพลิกก็เพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาแล้วก็พลิก mm hmm. คือจิตชนิดนี้เป็นจิตที่คิดตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นชนิดนี้เรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นจิตจึงมีสประเภทประเภทที่ผ่านมาผ่านไปเรียกว่าจิตที่เป็นธรรมารมณ์อันนี้เป็นธรรมชาติจิตเท้าต้องมีงาน แต่ในกรณีที่บางครั้งเราไม่คิดแล้วก็ไม่อยู่ให้งานตรงนี้ให้เขาทำไปประเภทที่สองคือเข้ามาแล้วไม่ไม่ออกไปเรียกว่าสังขารได้จิตประเภทที่สามจิตที่ทำหน้าที่เป็นปัญญาอันนี้ไม่มีปัญหาเข้าใจ ต้องลืมตาแล้วหลับตาดูดิหลับตาลหลัตาลเห็นไหมลืมตาขึ้นเห็นไหมปฏิเสธการเห็นได้ไหมเพราะอะไรมันทำหน้าที่ของมันตาทำหน้าที่ของตาตาทาหน้าที่เห็นจิตทำหน้าที่รับรู้อารมณ์เข้าใจไหม ต่อไป <c oughs> มีเป็นสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งพอเราเพ่ง ก็ไม่ทำงานเหมือนกันมันถูกปลอกเพราะเราตั้งใจเกินไปแล้วไปเพ่งแต่นานไปมันจะมีปัญหาทำให้เราเกร็งหรือเครียดโดยไม่รู้ตัวประเภทนี้อันที่1 น, นะอันที่สองมันว่างไปโดยที่ไม่ได้เกลง็งไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องเป็นลักษณะของจิตเร า, เ, าเป็นเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเข้าไปสู่ตัวสมาธิ มันมันโปลง่งมันโล่งมันว่างโดยที่ไม่มีรู้สึกว่าไม่ได้เก่งไม่ได้จ้องอะไรเลยนะก็เป็นสมาธิอันหนึง่งจิตเป็นอารมณ์เดียว แล้ช่วงนั้นพอจิตไปอยู่ปัจจุบันนานเข้าแต่เนื่องจากว่าสติมันยังไม่เข้มแข็ ง, ขงจิตแล้วลงตกสู่ผวังวุบไปพอสักพักหนึ่งสติมันเข้ามาทําหน้าที่ร่วมกับ ส, ส, สมาธิตัวนั้นเราจะเรียกว่าสมาธิตัวนั้นก็ไม่ใช่มันเป็นครึ่งสมาธิเขาเรียกว่าผวังคจิตซึ่งมันว่างไปพักหนึ่งเป็นช่วงว่างต่อแต่สักพักหนึ่งพอพอสติมันรู้สึกตัวชัดนะตัวนั้นก็คลายไปใช่ไหม เป็นพวังคจิตซึ่งมี ม, มีโอกาสตกได้เป็นบางครั้งแม้แต่วเราตั้งใจอยู่ในปัจจุบันนานๆแต่เนื่องจากสติเรายังไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นความชี้จิตแทนที่มันถ้าสติเราเข้มแข็งจิตตัวนั้นก็จะเข้าสู่สมาธิขั้นละเอียดทีเดียวแต่เมื่อสติยังตามไม่ทันสมาธิตรงนั้นที่ถูกเพ่ง ม, มันก็เลยกลายเป็นพวังค้าไปครึง่งครึ่งหนึ่งของสมาธิ แต่ถ้ามีสติรู้ตามทันขนาดนั้นก็จะเป็นสมาธิได้เต็มที่เข้าใจหมดแล้วใช่ไหมเขคิดเป็นของเราไหมหามดีนะ ถง่ายแต่ตอบยากเหลนี้เนี่ยถ้าถ้ามีเราเป็นผู้คิดความคิดก็เป็นของเราแต่ถ้าเราไม่มีเราเป็นผู้คิดความคิดนั้นเป็นของธรรมชาติแยกออกไหมว่าขณะคิดเนี่ยเราคิดหรือมันมันทําหน้าที่ของมันแยกไมออก ถ้าตรงนี้ต้องดูให้ดีถ้าเรามีสติต้องแยกออกถ้ามันคิดของมันเองแล้วว่ามันเป็นทําหน้าที่ของมันเหมือนเมื่อกี้มันปัญหาเมื่อกี้เมื่อลืมตาต้องเห็นใจเมื่อมีอีซีทั้งหกอายัดทั้หกลับรู้อยู่จิตต้องทําหน้าที่รับรู้เป็นหน้าที่ของมันแต่เราเข้าไปคิดในสิ่งที่มันทําหน้าที่เข้าไปเพิ่มไปเสริมไปแต่งมันนั่นมีเราเข้าเป็นเป็นผู้คิดความคิดเป็นของเราเข้าใจไหม การกำลงว่าอะทำไมเราเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีจิตตัวนึงเหมือน้าถ้าตัวตัวนี้ี่แบบว่าี่อาการการเพิ่เหมอนการองตัวเอเ็กคือ้ห็นทั้งสาสีตัวเครับทั้งกายตัวเอแล้วทั้งจิตแล้วทัความคิดตัวนี้แล้วถ้าเรลงตัวลงัเียอตรงตรงองเาคเวลาดคามคิดเข้ามาเนี่ยจิตัวเนียคือราจะรู้รลหว่างนี้ีความคิดบาทั้งเนี่ยมันดีออไปนะฮะพอดีดเอง็จโล่งดี มันเป็นมาหลายรอบแล้วะครับคือคไม่ซ่องเป็น่อแล้วเพราะว่านักจัดปฏิบัติไม่เคยเกิด อ, กอาการใชอแล้วอุปนิสัยนะครับเนี่สมาธิคุณดีมากคุณเคยทำสมระมาก่อนมยห ม, มาาหเคยใช่ไหมสมาธิคุณดีมากถ้าหากว่าคือความจริงเป็นมันเฉียดเข้าไปสู่ชานแค่นี้แล้วอุปจาระชานแค่นี้หนึ่งคุณมีพื้นฐานทางสมาธิมาก่อน เมื่อมาทตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจิตมันก็สู่ตรงนั้นไวเห็นชัดเป็นตัวที่ดีแต่ว่าอย่าไปยึดมันให้ให้กําหนดรู้สติสัมยาปิจุบันให้ชัดชดัแล้วก็ตัวนั้นก็จะเป็นตัวยานปัญญาที่มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆหน้าที่ตรงนี้ไม่ไม่ต้องไปไปเพ่งหรือไปรู้ตรงนั้นก็ได้มารู้สติสมยะความรู้สึกตัวทุกข์ความไม่ชัดชัดเท่านั้นเองจิตก็จะทําหน้าที่รักษาตัวสภาวะนั้นของมันเอง คือความรู้ตัวเนี่ยมันมันความรู <tı> ้สึกเปจไรก่จิมันเปนยัค่มัน่ใใมันะแต่มีวันนี้มีวันนี้ครับที่ว่าแบ้เเดิทุกค้า้วจิตมแค่มันความรู้สึกเข้าไปมันดูเข้าไปทุกข้างทุกข้างแล้วเอ๊ะทไมมันจริงมันมันดุดนเข้าไปในขณะูเข้าไปมันได้ความที่จะเอานีอคมันมันมันหม่นมันมันจูนกันติดแล้วเมื่อก่อนมันจูนก็ไม่ติดเพราะว่าตัวในหรือเมื่อก่อนคุณไป ติดสมาธิตัวนั้นอยู่แต่เมื่อวันนี้ตัวสติมันเข้มแข็งพอมันก็ไปจูนติดกับตัวสมาธิตัวนั้นที่ต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นคือเมื่อก่อนมันเป็นส่วนเมื่อก่อนเราค่อนข้างจะไปติดตัวตัวสงบตัวนั้นด้วยนะเดี๋วเมื่อสมาธิตัวนี้มันแรงกว่ามันก็เจาะข่ายเข้าไปถึงตัวนั้นได้ขายแตกจูนถึงกันเลยดีสติสมาธิสัมพันธ์กันละ สัญญาจะเข้มแข็งเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นภาวะที่ดีคือเมื่อก่อนคุณติดสงบไงจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิดีคุณก็ไปรักษามันไว้แต่พอมางจอสติมันสติมันน้อยมันมันทุกไม่แต่มันเข้าไปไม่ถึงไงแต่พอคุณทำต่อเนื่องมากเข้ามาเข้าสตินี่มันเข้มแข็งนักแน่นมันก็ไปจูนติดต่อตัวสมาธิที่มัมีอยู่แล้วแต่ว่าทาองผไม่ไม่าสร้างจดเตๆนะครับรู้่สึกบางรสบา แต่ต่อไปมันจะเป็นเองสมาธิทุนนี้มันจะเป็นเองจะไม่ต้องตั้งใจยากนะดีมากรักษาแพงเพียงแต่กําหนดรู้สติสัมยาปัจจุบันทูตลึกสุรู้พร้อมชัดชไว้เสมอแค่นั้นก็พอไม่ต้องทำเดี๋ยวมันจะไปของมันเองไม่ต้องสนใจรักษาสติมยอดปัจจุบันให้ชัดเจนไว้เสมอแล้วมันจะไปของมันเอง กณมีทุนมาด okay. ีเรื่องเวทนาเนี่ยเราต้องบำบัด แต่ว่าในร่างกายของเรานั่งนา น, น, านเวทนามันมีหลายตัวมากใช่ไหมบางครั้งอย่างที่ว่าเออมันเป็นของมันเองเพราะฉะนั้นเออเมื่อเราอินทรีย์ยงอ่อนเนี่ยเวทนาแต่และตัวเนี่ยมันเข้มดังนั้นปวดหัวปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่อะไรต่างเนี่ยทีนี้เราจะกําหนดตัวไหนละมันมาเยอะตั้งหลายตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นต้อง ต้องทําให้มันเบาบางเมื่ออีซีเราอ่อนเราต้องช่วยสําหรับคนอินซีแข็งเนี่ยเขาจะเขาจะทนได้ง่ายแต่คนอินซีอ่อนจะทนได้ยากเพราะฉะนั้นเราค่อยบําบัดมนันไหนที่มันมันเข้มมากๆนี่นะก็บำบัดสมมุติเราปวดขาเนี่ยภาระคือถ้าหากว่าปล่อยให้เวทนาหลายตัวเข้มเนี่ยจิตมันจะรับภาระหนะักแล้วสติอะไรของเราจะไม่ชัดเจนมันจะเวทนา ไ, ไปกินหมดเพราะฉะนั้นต้องช่วยมันด้วยการเปลี่ยนอิเดียบทเสมอเราต้องรู้อินซีของเรา คนอิสิอ่อนเนี่ยจะเซนซิทีฟคือหมายถึงว่าง่ายต่อการที่จะปวดที่จะเมื่อยที่จะอะไรต่างๆความอดทนมีน้อยอยู่เพราะฉะนั้นพยายามถึงจะมีการเปลี่ยนบ่อยแต่กำหนดรูก้การเปลี่ยนให้ชัดๆไว้เสมอเพื่อบำบัดเวทนาตัวนั้นให้เบาบางเข้าใจไหมยุกคนไม่ต้องจ้องมัน ก็เปลี่ยนมันเร่อไปแต่มีสติกำหนดรู้ในการเปลี่ยนเอาไว้จนกว่าเสร็จจนกว่าอิเราจะเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเราจะรู้วิธีจัดการมันเอง อืมกาม่สเอสือืคือควา ม, มจริงแล้วตัวนีิวร์เนี่ยตัวนีิวร์มันยังไม่สงบชัดเจนนะนะแต่มันต่อสู้กันอยู่อทีนี้การที่จะไปแก้นิวรตรงนี้เราตั้งปลุกจิตขึ้นมาบ่อยๆกระตุ้นจิตคือ <c> ก <oughs> ารับรู้ต่อ ตัอาการของความรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วนิวรณที่มันกําลังเป็นบันที่มันง่วงบ้างมันชิดบ้างอะไรบ้างหรือปวดบ้างเมื่อยบ้างพอตั้งจิตแล้วก็ปรับปรับเปลี่ยนอิียบทคือพยายามปลุกให้ตื่นจากไอตัวตัวนิวรณ์นั้นก่อนเมื่อคือมันมีข้อหนึ่งก็คือว่าในการปฏิบัติที่จะได้ผลเร็วเนี่ยอย่าบังคับเวทนาให้เวทนาเบาบางเอาไว้ให้แก้ไขเวทนาเพราะเวทนาเป็นไงมันไม่เที่ยงใช่ไหม เวทนาเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราปรับปรับแก้มันเรื่อยๆแต่ในกรณีที่เราต้องการจะเอาเวทนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขันติเนี่ยสําหรับคนที่คือคือถ้าไม่จําเป็นไม่ทําเพราะว่าถ้าคนที่มีอินทรีย์แข็งไอการที่เอาเวทนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความอดทนเนี่ยมันจะเกิดมรณะอัตตาตัวใหม่ขึ้นมาสําหรับคนอินทรีย์อ่อนจะเอาเวทนาไป บังคับตัวเองก็ยิ่งเข็ดขยานกว่าเลยเพราะจิตรับภาระหนักเกินไปเพราะฉะนั้นตัวเวทนานี่มีปัญหามากต้องพยายามปรับให้มันเบาบางไว้เสมอเพื่อที่ให้จิตไม่รับภาระหลายด้านให้มารับรู้แต่ความรู้สึกตัวชัดเจนไว้เสมอก็จะทําให้แต่บางธรรมะบางสายเนี่ยขอเขอาเวทนาในการที่จะมาพัฒนาจิตนี้มาฝึกจิตในการนั่งนานๆทําอะไรที่มันมันให้เวทนาเข้มเข้ม ซึ่งจุดนี้จะเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นในโพธิราชกุมารสูตรในข้อที่สมเนี่ยมีอยู่ข้อที่หนึ่งก็คือให้มีศรัทธาในการทำข้อที่สองมีความเพียรต่อเนื่องข้อที่สมให้มีเวทนาเบาบางคือมีโรคน้อยหรือเวทนาเบาบางแก้ไขปรับเวทนาไว้เสมอนะแล้วก็เพื่อให้สติสัมยามันมันโปร่งโล่งแต่ถ้าเวทนามันเข้มเกินไปสติสัมยามันมันทึบมันทือแล้วจิตของเราก็จะ เป็นภาระที่นักมันมันเหตุเอื้อให้เกิดตัวนิวรณ์ได้ง่ายเพราะนั้นทําแบบให้เวทนาเบาบางไว้เสมอจิตมันก็จะตื่นของมันเองนะอันนี้ส่วนหนึ่งลองพิจารณาดูนะเพื่อเวทนาเบาบางเอาไว้จิตมันจะตื่นขึ้นมาเองถ้าเวทนาเอามาบังคับจิตมากๆจิตมันก็เกิดนิวรณ์ได้ง่ายก็ไม่เป็นผลดีต่อการปฏิบัติ l e ล e l อีกสินาที เป็นเป็นปิติชนิดหนึ่งนะเมื่อถ้าหากว่าเราไปเพลินกับปิติตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำคือเนื่องจากเราเป็นผู้ใหม่เรายังแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นปิติอันไหนเป็นสมาธินะก็ในกรณีนี้ให้ให เปลี่ยนวิธีการจากการเดินการนั่งนานๆให้เปลี่ยนเรียบบทให้ชัดเจนไว้เสมอทําให้ชัดเจนโดยไม่ต้องไปสนใจตัวที่มันเบาสบายนะแต่สนใจความรู้สึกตัวให้ชัดๆไว้เสมอการ เ, เรียบบทแล้วก็การเดินก็จะไปเดินนานในลักษณะที่ต้องนั่งสัง้นงจังหวะนานๆเพราะถ้าเดินนานเนี่ยตัวปิติไม่จะอยู่นานเพราะมันมั น, มนอาศัยด้วยเวทนานมันเบาปิติมันก็จะกินช่วงนาน แต่พอมานั่งสร้างจังหวะเนี่ยมันเวทนามันบังคับปิติมันก็จะหายไปก็ไวนะแค่2อสองสวันก็เกิดปิติได้แต่ว่ามันเป็นปิติอ่อนๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเพลินมันมันก็จะเดินเดินเดินเดินก็ทําให้เราเพลินเพลินก็เดี๋ยวมันก็หมดแต่พอเรามานั่งสร้างจังหวะนานๆปิตินั้นก็จะอ่อนตัวลงสติสั้นยะในในการกระทําในการนั่งก็จะชัดเจนขึ้นปิตินั้นก็จะคลายตัวเข้าใจไหม หายไปเลยอือก็เรียกว่าเรียกว่ามันไม่มันไม่ต้องปฏิบัติกับมันเพราว่าอยู่ที่บ้านมันมีอารมณ์เล่นสนุกสนานเยอะแยะมันมีเหยื่อเล่อให้ให้มันไปแต่มาที่นี่ไม่มีเหยื่อให้เมื่อกี้มันก็นิวนมันก็เข้าคอบเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านเนี่ยถ้าหากเราทําอีกมันก็จะมาอีกแต่ว่าไอตัวปฏิบัติเนี่ยถ้ามันไม่ต่อเนื่องยาวจริงจริงนิวรมันก็ไม่เข้าหรอกแต่ว่านิวนไม่ ในความหมายของเรามักจะเอาตัวง่วงเป็นหลักใช่ไหมนิวรณมีตั้งห้าตัวใช่ไหมตัวขี้เกียจอยู่บ้านตัวนิวรณ์ขี้เกียจมันเข้าเนี่ยตัวง่วงมันก็ไม่เข้าตัวงุนหงิดใช่ไหมงุนหงิดเบื่อไม่สนุกเนี่ยก็เป็นนิวรณตัวที่สองที่เรามักจะพูดถึงนิวรนคือตัวที่สามง่วงเหาห้องนอนสลืมสลืออะไรเนี่ยนิวรณตัวที่สี่ก็ฟุ้งซ่านใช่ไหมเดินลอยขี้ไปต่าง นิวรณ์ตัวที่ห้าเขาจะลังเลสงสัยเอ๊ถูกหรือเปล่าใช่หรือเปล่าปฏิบัติมันได้อะไรอะไมันก็จะสงสัยตอนนีิวรต้องรู้ว่าตัวไหนมันชัดแต่ส่วนใหญ่เราเนาะจะไปนเน้นได้ตัวที่สามมันชัดกว่เพื่อนก็คือง่วงแต่ควจริงมันมีถึงห้าตัวแต่ว่าพออยู่ที่บ้านเนี่ยนิวรตัวง่วงมันไม่มีมีตัวอื่นเข้ามาตัวขี้เกียจ ต, ตัวฟุ้งซ่านเลื่อนลอยตัวอะไรไปทั้งนู่นแหละมันไม่มีโอกาสได้ง่งวงหรอกง่วงก็หลับไปเลยออื เออออเเเเลอ นีอ๋อ่ใช่จิตด้านเขาเรียกจิตรู้เท่าทันเมื่อจิตรู้เมื่อสติรู้เท่าทันเนี่ยจิตมันไม่ออกไปจิตมันไม่ออกไปปรุงในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่รู้สิ่งที่ได้ยินมันรู้สักแต่ว่ารู้มันก็จบจิตมันก็ไม่ใช่ด้านเขาเรียกว่าจิตมันรู้เท่าทันมันก็หยุดของมันเองนั่นคือเรียกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นแต่ว่ามันจะมีเกลีกลินที่สติเข้มข้นเท่านั้นในช่วงนั้นสติเราเข้มแข็ง มันก็ตามทันจิตจิตมันก็ไม่ไม่โอกาสไปปรุงในสิ่งที่มันเมื่อยตนาทั้งหไปกระทบรูปเสียงจิตด้วสัมผัสมันก็ไม่ปรุงเมื่อไม่ปรุงมันก็ไม่เกิดอาการปรุงอาการกลัวมันก็จะไม่มีอาการปรุงแต่งมันก็จะไม่มีเพราะจิตมันสติมันไปทันแต่ในช่วงที่ลักษณะนี้ก็คือช่วงที่จิตสติเข้มแข็งเท่านั้นเมื่อเราไม่ได้ฝึกเลือยฝึกน้อยสติมันอ่อนเอมันก็ไปเห็นอะไรปั๊บดีๆอย่าน้ปั๊บก็ปรุงมันก็เกิดการนั้นเหมือนเดิมตรงนี้จะ จะจะต้องศึกษาแล้วก็ประคับประคองสังเกตให้ดีจิตไม่ไม่ดาม้านแต่ว่าเนื่องจากมันอยู่ในการดูแลของสติเหมือนกับแม่อุ้มลูกเล็กๆนี่ยนะในเมื่อลูกเล็กอยู่ในอ้อมกอดของแม่เนี่ยจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามลูกจะไม่ร้องไม่กลัวเลยแต่ถ้าหากว่าลูกเล็กๆกระพัดข้างแม่ไป น, นี่นี่อะไรเกิดขึ้นเด็กจะร้องจ้าเลยเหมือนกันสติจิตของเราเหมือนเหมือ น, น, นเด็กน้อยแล้วก็สติของเราเหมือนแม่ ถ้าหากว่าสติประคับประคองอยู่อะไรเกิดขึ้นจิตก็จะไม่เกิดการเซลกสถานหวันไหวอะไรทั้งนั้นเชิง อธิฐานแปลว่าตั้งใจนะถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยเป็นอธิฐานแล้วแต่ถ้าเป็นอธิฐานนั้นกำหนดด้วยอุปาทานความอธิฐานนั้นก็จะมีปัญหาต่อจิตเมื่อในการทำเนี่ยมันเกิดไม่มีสติสมาธิอย่างที่เราอธิฐานเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นการคิดปรุงแต่งแต่ถ้าหากอธิฐานนั้นดีแต่ให้ให้ตั้งใจทำคือ คำอธิษฐานคือเห็นสิ่งที่เป็นจริงอยู่เฉพาะหน้าแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั่นเรื่องการอธิษฐานนั้นเป็นแบบพุท ธ, ธคือหมายถึงว่าเหมือนกับเราเราเห็นในหญ้าเนี่ยเราจะถอนมันได้เราอธิษฐานว่าฉันจะถอนหญ้าภายในที่บริเวณตรงเนี้ภายในสิบนาทีให้เสร็จมันก็เสร็จจริงๆเพราะอะไรเพราะมันมันเห็น ควาเป็นจริงแล้วประเมินกําลังของตัวเองถูกแล้วประเมินสถานที่ที่จะทําถูกถึงเมื่ออธิษฐานก็ทําเสร็จอธิษฐานเป็นความตั้งใจแต่ในกรณีทุ่งหญ้าตัวเนี้ยมันประมาณหนึ่งไร่เราจะอธิษฐานว่าเราจะถอนหญ้าภายในหนึ่งไร่ภายในหนึ่งชั่วโมงให้เสร็จเนี่ยบางที่มันเกินกําลังของเราลักษณะนี้แล้ก็เป็นเป็นความอยากชนิดหนึ่งอธิษฐานเป็นความอยากชนิดหนึ่งถ้ามันเกินกําลังและเกินความจริงที่ปรากฏอยู่แต่ถ้าความตั้งใจนั้น และความจริงที่ปรากฏนั้นถึงเราไม่อธิษฐานเราตั้งใจทําก็สําเร็จเพราะฉะนั้นการอธิษฐานมีสองลักษณะอธิษฐานที่ตรงต่อความเป็นจริงคือเห็นข้อมูลชัดเจนแล้วลงมือทําลงไปอันนั้นก็เป็นมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลอธิษฐานก็ได้มาอธิษฐานก็ได้อธิษฐานเพราะว่าตั้งใจมั่นแต่ในกรณีที่มันเป็นความอยากมันไม่สมเหตุสมผลก็ทําให้เกิดความทุกข์และอุปทานตามมาได้เข้าใจไหมคุณผู้ ตอบคำถามเดียวเพราะเวลาหมดแล้วคำถามแรกถามใหม่ อ, มอ๋อเมื่อมีสติมาปัญญาเกิดเสมอสติมาปัญญาเกิดตามที่เขาว่าไว้อนะสติตะลิกก็เกิดปัญหานะเพราะยิจะทำอย่างเงี้ยเหมือนกับมาจุดเทียนขึ้นเล่มหนึ่ง ถ้าหากว่ามีไฟหรือพัดลมเป่าอยู่เนี่ยแสงเทียนนั้นเป็นไงไม่ดับก็หลีม่มากๆเลยใช่ไหมพอปิดพัดลมหรือบงังแสงเข้ามาบังไม่ให้ลมเข้าแสงเทียนเป็น ไ, ไงตั้งใช่ไหมเมือ่อแสงเทียนตั้งมันเที่ยงแล้วแสงสว่างแลสิ่ีแสงสว่างเป็นไงขยายกว้างออกไปฉันใดก็ดีถ้าจิตเป็นสมาธิ ในสมาธินั้นมีองค์ประกอบของสติคอยปกป้องให้อยู่ปัจจุบันชัดเจนอยู่ปัญญาเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญญาลักษณะนี้ที่เป็นโลคุตรปัญญาคือปัญญาที่มันไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้การปรุงแต่งที่แบบโลกียะปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่เราปฏิบัตินี้เป็นโลกุตรัปัญญานะให้เข้าใจปัญญาที่มีรากฐานมาจากสติสมาธิสทาวิยะสติสมาธิเป็นปัญญาของ ของตัวที่เป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นถ้าทําไปเรื่อยๆปัญญามันเกิดขึ้นคือปัญญาที่รู้จักตัวเองแต่ถ้าเป็นสติสมาธิที่ถูกปัญญานี้มันก็จะเข้าใจตัวเองแต่ในกรณีที่สติสมาิปัญญารรมาไม่สติสมาธิทรมาไม่ถูกปัญญาที่เกิดขึ้นเราก็ยังเอสงสัยเกิดปัญญาแบบไหนมันจะสงสัยเนื่องจากองค์ประกอบของสติสมาธิธรรมมาเบื้องต้นไม่ชัดเจนเขาจะไปทบทวนตรงนั้นต่อเนื่องว่าสติที่ทำอยู่เนี่ย เราเข้าใจไหมว่าสติคืออะไรสติคือความรู้สึกตัวสมิญคือความรู้สึกลึกทั่วพร้อมสมาธิคือความตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วมันก็จะเห็นตัวเองชัดเจนเห็นความรู้สึกชัดเจนเห็นอาการเวทนาทุกอย่างชัดเจนการที่เห็นตัวเองชัดเจนอย่างนี้ยมันก็เป็นปัญญาละโดยที่ไม่ต้องคิดโลกุตตะระปัญญานี้ไม่ต้องคิดแต่เห็นก็เป็นเลยอยาา่าขณะเนี้ยมนั่งนานปวดขาเนี่ยต้องได้คิดไหมถึงจะรู้ว่าปวดขา ไม่ต้องคิดใช่ไหมแต่มันเห็นเข้าไปว่าเราเห็นเข้าไปอีกชั้นหนึ่งว่าขณะเนี้ขาปวดหรือว่าความรู้สึกมันปวดหรือว่าเราปวดเราปวดหรือขาปวดออถ้าเราขาปวดเนี่ยถ้าขาปวดหรือความรู้สึกมันปวดโอเคเป็นสัมมาสติแต่ถ้าเราปวดได้เป็นวิจฉาสติแล้วเพราะมันไม่มีเรา มันมีแต่อาการกําลังปรากฏเท่านั้นใช่ไหมดังนั้นมันจะต้องเลียงมาจากตรงนั้นว่าเหตุมันถูกหรือมันผิดถ้าเราบอกว่าเราปวดเนี่ยปัญญาที่ออกมามันก็เป็นไม่ใช่ตัวโลกุตระปัญญาแล้วมันก็จะเป็นปัญญาโลกิยะไปต้องทวนไปหาเหตุต้นมันด้วยว่าเรามาดูเหตุที่ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอาอัตตาดูหรือเวลาเอาความรู้สึกล้วนๆดูที่เป็นตัวสัมปชัญะดูต้องไปทวนดูตรงนั้นด้วยปัญญาตรงนั้นจะถูกหรือจะผิด เข้าใจไหมหมดเวลาแล้วหมดปัญหาหมดเวลาแล้ว mm. ก็ขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจให้นำไปศึกษาพิจารณาเพื่อการแก้ไขและการรื้อ ร, รู้ที่ชัดเจนอยู่เสมอตั้งแต่วันนี้จนถับเท่าสู่นิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเืิ